ขอนอบน้อมพระรัตนไตรยขอาการหลงพระกรมอุบาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขออกาศเพื่อทาวิสุขคนเจรินในธรรมแม่ชีแล้วก็ยาติธรรมทุกคน <c oughs> เราก็ได้สวดมหาสติปทา น, นสูตร <c oughs> เป็นสูตรที่ว่าด้วยการมีสติ มีสติจนทั้งกลายเป็นมหาสตินะคือสติเฉยๆก็คือการระลึกได้นะแต่จริงสตินี่มันมีเขามีเพื่อนนะก็คือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมันจะมาคู่กันสติกับสัมปชัญญะคือความรู้ตัวระลึกได้ก็เลยเกิดการ รู้ตัวนะถ้าเราระลึกไม่ได้มันก็เลยลืมตัวดัง น, นั้นสติแล้วก็สัมพัชัญญาเนี่ยเหมือนเป็นเป็นเพื่อนที่เกิดพร้อมกันตลอดเวลานะแต่บางทีเราก็พูดสั้นๆว่ามีสติหรือบางทีเราก็พูดภาษาไทยง่ายๆว่ารู้สึกตัวหรือว่ารู้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนาะ ตั้งแต่ 2,600 กว่าปีกับชนชาวกุรุนะก็มีหลักฐานจริงนะโยมนะมีหลักฐานจริงชนชาวกุรุก็อยู่แถบใกล้ๆอุลนิวเดลีนะในสมัยปัจจุบันนี่แหละนะก็มีหลักฐานนะอยา่างตมาก็เคยไปเห็นมาอยู่ว่าเออมันมีหลักฐานตรงที่พระเจ้าแสดงนี่แหละ มหาสติประฐานนูตรเนะี่ยมันก็มีอยู่จริงนะอยู่บนเขาเล็กๆนะพวกเขาหินก็มีการจารึกไว้นะพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ไปทุกที่ที่พระพุทธเจ้าท่านท่านไปนะไปปักเสาอาโศกไว้นะไปจารึกไว้ว่าที่นี่พระพุทธเจ้าท่านมาสเสด็จมามาทำอะไรบ้างนะ มหาสติประธานสูตรท่านก็ได้ตัดไว้ในที่ตรงนี้มันก็เป็นหลักฐานสําคัญนะทําให้เราเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติแบบมหาสติประธานเนะี่ยมันมีหลายวิธนะีมันมีหลายรูปแบบอย่างตัวกผมตัวอาตมาเองเนะี่ยตอนมาปฏิบัติที่วัดป่าสุกโตใหม่ๆเนะี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะ ถึงต้องมายกมือสร้างจังหวะแบบนี้นะวิธีการยกมือแบบนี้มันดูมันดูแปลกๆนะที่อื่นเห็นเขานั่งหลับตา่หรือว่าตัวเองเคยทําแบบอานาปานสติเนะี่ยเคยทําแบบบริกรรมพุโทโธนะนั่งนิ่งๆหลับตานะบางทีก็ดูแต่ลมหายใจธรรมดาบางทีก็บริกรรมพุโทโธนะ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพอมาเห็นคนยกมือสร้างจังหวะเนี่ยจิตแรกที่มันเห็นแล้วมันมันรู้สึกก็คือมันรู้สึกว่ามันแปลกดูเป็นอะไรที่มีจริงหรอคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำแบบนี้หรอแต่เราสงสัยก็ไม่ใช่จบแค่ความสงสัยนะตอนนั้นก็เป็นแบบสงสัยแบบพวกเหมือนพวกนักศึกษา สงสัแล้วเราก็ต้องหาคำตอบหาคำตอบจากการไปอ่านตำราก็นี่แหละนะมาเปิดพระไตปิฎกดูเห็นเขาว่ามันเป็นเรื่องการฝึกสติเหรอก็เลยไปเปิดดูนี่แหละอ่านดูในมหาสติประทานนสูตรนี่แหละอ๋อเขาว่าไว้แบบนี้จริงๆเนาะอานาปานสติก็มีก็ถูก มีสติกับการกําหนดอิรยาบทยืนเดินนั่งนอนเ อ, อก็ถูกเหมือนกันหรือว่าบทที่เรียกว่าสัมปัชะญญบัพพะนะก็คือการมีความรู้สึกตัวในการคู่แขนเข้าในการเหยียดแขนออกในการเดินไปข้างหน้าในการถอยไปข้างหลังในการมองไปข้างหน้าในการเหนียวซ้ายในการแลขวาออันนี้เนาะ มันตรงกับที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนไว้ยกมือสร้างจังหวะคือการคูแขนเข้าเหยียดแขนออกมันไม่ได้แปลกละอ่าแต่ก่อนเนี่ยความสงสัยเราเนื่องจากเราไม่เคยอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรแต่พอเราได้มาอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรจิตมันก็น้อมที่จะเชื่อนะเพราะว่าอ๋อคิดว่าตำราที่ บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะก็คงเป็นหลักฐานอยู่ว่ามันมีการทำแบบนั้นจริงๆนะอันนั้นวิธีการสร้างจังหวะอย่างที่พวกเราทำเนี่ยก็ไม่ได้ผิดไปจากตำรานะนะมีหลักฐาน ท, ที่ว่าไว้อยู่ในเรื่องหมวดสัมปชัญญะบัพเพนะเขาอยากให้เรามั่นใจว่านะสิ่งนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อยู่นะ หลักฐานสถานที่ที่ท่านสอนก็มีการบันทึกไว้มีการตามค้นเจออยู่ว่ามันมีที่ไหนท่านกล่าวว่าว่าอย่างไรแต่เพียงแต่ ว, ว่าหลวงพ่อเทียนเองท่านก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านก็ประยุกต์นะวิธีการเนี้ย น, นะให้มาพวกเรารู้สึกตัวแต่แต่ก่อนวิธีการยกมือสร้างจังหวะนะีนะ้เอเขามีการบริกรรมแล้วนะ อย่างถ้าภาษาอีสานเนี่ยเขาจะบริกรรมว่าติงนิ่งนะยกมือติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งติงแปลว่าเคลื่อนนะนิ่งแปลว่าหยุดจะให้บริกรรมไปตลอดได้ว่าเวลาเคลื่อนก็บริกรรมติงเวลาหยุดก็บริกรรมว่านิ่งนะบริกรรมไปด้วยเคลื่อนไปด้วยนะอหลวงพ่อเทียน ท่านก็ได้เรียนมาแบบนี้แต่ท่านมาเอ็ดใจว่าชีวิตของเราเนี่ยบริกรรมมาหลายวิธีการลนะนะเคยพุดโทรก็เคยหนอก็เคยตายก็เคยคือท่านบริกรรมฝึกแบบบริกรรมมาหลายวิธีแต่ส่วนตัวของท่านเองท่านบอกพอบริกรรมเมื่ อ, อไรมันมันไปได้เพียงแค่ความสงบนะ มันก็ติดแค่ความสงบแล้วก็ไปต่อไม่เป็นพอครูบาอาจารย์ท่านสอนติงนิ่งท่านก็เลยเดาลองแบบไม่บริกรรมดูบ้างดีไหมนะเพราะบริกรรมไปแล้วมันก็ได้แค่ความสงบหลวงพ่อเทียนก็เลยแค่ทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวหรือการหยุดนิ่งโดยไม่ต้องบริกรรมภายในใจนะมันก็ มันก็เลยกล า, ายเป็นเพียงแค่การรัดลึกรู้เฉยๆนะบางทีการบริกรรมเนี่ยมันเหมือนเรารู้แล้วเรามาแปะยี่ห้อนะว่าเราเคลื่อนมือว่าเรายกมือว่าเราเดินว่าเราคิดนะว่าเราปวดว่าเราเมื่อยมันมันทำให้มันไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเรามากขึ้นนะหรือบางทีมันไปเอาสมมติมาม า, มาแปะฉลาก นะในอาการต่างๆนะที่จริงอุบายในการกําหนดมันก็อาจจะเป็นอุบายให้ให้เราระลึกได้แตนะ่แต่บางทีเราทําไปทําไปมันก็ติดติดการบริกรรมติดการกําหนดนะทีจริงถ้าใหม่ๆถ้าทํานะเพื่อก็เพื่อความระลึกได้เพื่อให้หรือเพื่อให้มีสมาธิมากขึ้นนะแต่ถ้าเราจะเน้น ไม่ต้องเอาสมาธิมากขนาดที่ต้องกำหนดบริกรรมตลอดเวลาการแค่รู้สึกตัวเฉยๆนะกับการเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่งเนะี่ยมันค่อนข้างจะตรงกว่านะมันตรงเพราะอะไรพอเราบริกรรมนะมันก็เคยติดการบริกรรมมันก็เลยพูดในใจอยู่ตลอดเวลาหลายคนที่เคยภาวนาแบบบริกรรมก็จะบางทีก็จะมีประสบการณ์เนาะบางทีมันก็ บางทีมันก็ทิ้งคําบริกรรมไม่ค่อยได้นะก็ติดคําบริกรรมหรือบางทีทําไปแล้วมันเกิดความสงบนะมันก็ไปติดความสงบนะก็ออกจากความสงบไม่ได้หรือบางทีพอทําแบบสมาธะแบบสมาธิมากๆนอกจากความสงบแล้วบางทีมันก็มีนิมิตนะเห็นนั่นเห็นนี่นะตัวเบาบ้างตัวใหญ่บ้างนะ ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้บ้างเห็นภาพนั้นภาพนี้บ้างมันมีนิมิตนะถ้าเราไม่มีสตินะมันก็จะหลงไปกับนิมิตนะตัวเบาเราก็คิดว่าเราเบาเราลอยไปจริงๆนะตัวหนักตัวใหญ่เราก็พองใหญ่คับกุฏินะเดินก็พองใหญ่เหมือนกับยักษ์เหมือนกับเหมือนกับช้างแบบนั้นก็จริงๆมันก็มีนะนะเวลาเราปฏิบัติบางทีถ้า เน้นแบบสมถะหรือกำหนดมากๆเนี่ยจิตมันก็ไปรู้เห็นภายนอกหรือมันมีอาการนิมิตต่างๆเกิดขึ้นมาหลายอย่างแต่ถ้าเราเน้นเรื่องการฝึกสติเรื่องการรู้สึกตัวแบบไม่ต้องบริกรรมโนะดยเฉพาะอย่างเช่นการสร้างจังหวะการเดินจงกรมแบบที่นะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนพาทำเนี่ยนะนิมิตต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะ จะไม่ค่อยเห็นนิมิตนะจะไม่ค่อยสงบนะแต่มันจะมีความคิดมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาบ่อยๆนะแต่ก็ให้เราเราลึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะนะเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ผิดทางไม่ได้เออทำไมปฏิบัติทำแล้วมันไม่สงบปฏิบัติแล้วมันมันจิตมันไม่นิ่งนะ ให้เราเข้าใจว่าวิธีการเนี้ยเราไม่ได้เน้นทําให้จิตมันสงบไม่ได้ทําไม่ได้เน้นให้จิตมันนิ่งนะแต่เราให้ดูตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คืออะไรจิตใจเรานะ่ะมันไม่นิ่งหรอกนะจิตใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าจิตใจมันเหมือนกับลิงนะลิงธรรมชาติของลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งถ้าลิงตัวไหนมันอยู่นิ่งแสดงว่ามันอาจจะโดน โดนวางยาสรบนะหรือว่าโดนยานอนหลับนะมันนิ่งเฉพาะตอนนั้นเฉยๆนะแต่ธรรมชาติพระเจ้าท่านตัดไว้เลยว่าจิตเนี่ยมันเหมือนกับดิงมันไม่อยู่นิ่งดังนั้นจิตเนี่ยมันจะคิดนั่นคิดนี่นะมันไม่ค่อยอยู่เฉยๆหรอกนะบางทีเราภาวนาเราปฏิบนะัติเนี่ยอย่างแรกที่เราจะทําเลยพยายามน้อมจิตให้มันนิ่งๆนะ บางทีเราก็น้อมแล้วก็มันก็จะทำจิตให้มันซึมๆนะหรือว่าบางทีพยายามข่มไว้นะพยายามข่มจิตให้มันนิ่งโดยการทำกายให้มันช่วยเช่นหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจไว้นะหรือบางทีก็น้อมเหมือนกั้นลมหายใจไว้ให้มันนิ่งสักพัก แล้วค่อยปฏิบัตินะหรือบางทีเราก็กำหนดนะกับการเคลื่อนไหวแบบจดจอนะ่อเพื่อให้จิตมันไม่หนีไปที่ไหนนะหรือบางทีเราก็ตามการเคลื่อนไหวแบบเกาะติดเนพะ่งจ้องไวเพื่ออะไรเพราะเราเรากลัวว่าจิตมันจะคิดเรากลัวว่ามันจะไม่สงบแต่จริงนะมาอยากให้พวกเรา ไม่ต้องกลัวความสงบความไม่สงบนะไม่ต้องกลัวการคิดฟุง้งซ่านแต่การปฏิบัติเนะในแนวสมพัทธ์เทียนเนี่ยท่านเรียกว่าปล่อยให้จิตมันคิดแต่เรามีสติเราจะไม่ไหลไปตามความคิดนะจะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะการมีสติของเรานี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคล้ายๆเหมือนกับตอนเนี้ยมีฝนตก ลงหลังคาเกิดเสียงขึ้นมาแต่ถ้าเราแค่เล้กรู้ว่ามันมีเสียงแต่จิตเราไม่ไปปรุงแต่งต่อว่าเสียงมันลำคาลหรือบางคนอาจจะเป็นสิ น, นนะเสียงมันไพเราะบางทีก็นี่คือการปรุงแต่งเหมือนกันนะนเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยคือการปรุงแต่งแต่เสียงมันเกิดขึ้นจริงเสียงมันไม่ได้บอกว่า เราต้องบอกว่าต้องชอบหรือไม่ชอบแต่ความคิดของพวกเราแต่ละคนอาจจะคิดแตกต่างกันถ้าเราขาดสตินะเราก็จะกลายเป็นคนละคนอย่างที่หลวงพ่อว่าจริงๆนะเราก็คิดชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้ทั้งสิ่งนี้โดยธรรมดาเขาเกิดมาไม่ใช่ว่าให้เราชอบหรือชังนะแต่เรามีสติเนะี่ยให้เรารู้ทันนะ แต่บางทีจิตนะมันก็เผลอไปชอบเผลอไปชังอันนี้เรียกว่ามันเป็นของมันเองนะนอมันห้ามไม่ได้นะจิตนอกจากมันจะไม่เที่ยงแล้วมันห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ด้วยว่าเราต้องเฉยว่าเราต้องยินดีเท่านั้นห้ามยินร้ายนะนัานนการปฏิบัติธรรมเนะี่ยนอกจากเราไม่ห้ามความคิดแล้วเราต้องไม่กดความคิดด้วยนะเออ บางทีถ้าเราไปก ด, ดไปข่มความคิดเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งเครียดมันยิ่งทุกข์นะเหมือนพวกเราเคยไปเคยโกรธใช่ไหมคิดว่าหลายคนต้องเคยโกรธโกรธแล้วเราก็ไปก ด, ดความโกรธนะไม่อยากให้มันโกรธนะพอเรายิ่งไปกดความโกรธไม่อยากให้มันโกรธเนี่ยเราอะยิ่งทุกข์นะหรือบางทีแทนที่เราจะไปโกรธไปก ด, ดความโกรธแล้ว ครั้นี้เราก็กลับมาโกรธตัวเองที่ไปเผลอโกรธทาไมเราถึงไปโกรธคนนั้นาบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทาไมฉันถึงหงุดหงิดทําไมฉันถึงไม่พอใจทําไมเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทําไมปล่อยวางไม่ได้เราก็ไปคิดทําไมเราถึงคิดทําไมเราถึงปล่อยวางไม่ได้ทําไมเราถึงทุกข์แต่พอแต่พอไปคิดแบบนั้นกลับยิ่งมาโกรธตัวเองว่า เราทำไมแย่แบบนี้เราทำไมหลงแบบนี้ที่จริงการรู้ทันอย่างเช่นจิตมันโกรธเนี่ยนะนะเราไม่ข่มมันนะเราไม่ข่มมันแต่ถ้าเราทำได้ก็คือแค่ดูมันเฉยๆดูมันนะดูจิตว่ามันโกรธไม่ใช่เราเป็นผู้โกรธนะดูจิตมันโกรธไม่ใช่เราเป็นผู้โกรธเนี่ยถ้าเรามีสติเป็นผู้ดูนะเราจะเห็นนะว่าอ๋อ ความโกรธเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะจิตที่มันปกติเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะกายที่มันเคลื่อนไหวตอนเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นคนส่วนมันแยกกันอยู่แต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราจะมารวมกันนะเราจะมารวมว่าเราเนี่ยเป็นผู้โกรธนะมันจะแยกไม่ได้ระหว่างจิตที่เป็นปกตินกับจิตที่มันโกรธทั้งที่จริงนะ ตัวโกรธเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวถ้าเรามีสตินราจะเห็นว่าอ๋อตัวโกรธเนี่ยเป็นเกิดขึ้นชั่วคราวนะมันคล้ายๆเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่ใน่ะโยมนะออจิตเดิมแท้สมมติเปรียบเทียบแบบหยาบๆนะเหมือนกับเนื้อตัวของเราเนี่ยนะเราบางทีเราก็ใส่เสื้อผ้าสีขาวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองสีนั่นสีนี่นะ มียูนิฟอร์มแตกต่างกันก็สมมุติกันเป็นพระสมมุติจะเป็นแม่ชีสมมุติเป็นข้าราชการสมมุติเป็นอะไรก็แล้วแต่พอเสื้อผ้าที่ใส่ต่างกันจิตก็เหมือนกันแหละบางทีมันก็มีความโกรธมาครอบงำบ้างบางทีก็มีความรักมาครอบงำบ้างบางทีก็มีความชังมาครอบงำบ้างมันมาครอบเหมือนหัวโขนเหมือนยูนิฟอร์มที่มาใส่ชั่วข้าว ถ้าเราลืมตัวนะเราก็จะหดงว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่จริงถ้าเรามีสตินะอ้อมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเนาะเราแค่ดูดูมันเฉยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรถ้าคนที่มีสติดูเฉยๆได้ก็ดูไปเลยแต่ถ้าใครสติยังไม่ดีนะยังดูแล้วยังเข้าไปเป็นยังเป็นผู้โกรธยังเป็นผู้คิดยังเป็นผู้รักยังเป็นผู้ชังนะพยายามกลับมา รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะเช่นเดินก็กลับมารู้ว่ากำลังเดินอยู่นะยกมือก็กลับมารู้ว่ากำลังยกมืออยู่นะทานข้าวก็กลับมารู้ว่ากลังทานข้าวอยู่คือการปฏิบัติธรรมหรือการมีกรรมาฐานก็คือการมีที่ตั้งให้จิตเขากลับมาแล้วรู้นะก็คือกลับมารู้เช่นรู้กาย ที่เคลื่อนไหวนี่แหละนะเป็นเครื่องดลึกรู้คล้ายๆเปรียบเหมือนกับบ้านน่ะะเหมือนพวกเรามีบ้านเนาะเวลาเราไปทํางานหรือเราออกไปท่องเที่ยวเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแ ต, แต่ถ้าบ้านหลังไหนที่อบอุ่นเนี่ยอพ่อแม่คนไหนที่คล้ายๆเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้เนี่ยเวลาเรามีปัญหาเมื่อใดเนาะ เรามักอยากจะกลับบ้านนะหรือเราก็โทรมาหาพ่อแม่มาปรึกษาเนะพราอรู้สึกว่าบ้านมันเป็นที่อบอุ่นมันเป็นที่ที่เปิดรับเราตลอดเวลาจิตก็เหมือนกันนะจิตเนะี่ยที่มันหลงไปคิดจิตที่มันโกรธจิตที่มันขาดสติเนี่ยการกลับมาหาฐานนะเช่นกรรมาฐานที่เราทำเนะี่ยยกมือสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีเนี่ย กันกับมาหาฐานนะลืมหรือว่าวางเรื่องราวที่มันคิดไปก่อนกับมาหาฐานเนี่ยนะเดี๋ยวความคิดความโกรธความหรงต่างๆมันจะค่อยๆจืดจางไปเองนะไม่ต้องไปพยายามคิดว่าเมื่อไหร่มันจะหายไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่ามันจะหายไปหรือไม่นะไม่ต้องไปสนใจ เช่นะให้เรากลับมารู้ตัวนะกลับมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่นะนะอย่าไปสนใจว่ามันคิดอีกหรือเปล่าอย่าไปสนใจว่ามันยังหายโกรธหรือไม่นะกลับมารู้ตัวนะนะถ้าเราทําแบบนี้นะนะมันจะไม่เป็นการกดข่มความคิดนะแต่ถ้าเราข่มความคิดเนะี่ยมันจะยิ่งมันจะยิ่งโกรธมันจะยิ่งเครียดนะอันเนี้ยบางทีเราปฏิบัติ สิ่งที่ผิดพลาดเน่ยมันเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหล่นะแต่มันเป็นการที่เรียกว่ามันวางใจไว้ผิดนะแต่ถ้าเราวางใจไว้ถูกเนะี่ยการที่มีความคิดก็ดีมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ดีเนะี่ยมันจะไม่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความหนักใจนะหรือเกิดการเก็บกดภายในเลยนะบางทีเวลาเราปฏิบททัติธรรมหลายคนก็จะสงสัยหรือไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ เวลาเราคิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่ทำตามมันเนี่ยเราเก็บกดมันไหมนะพี่จริงมันไม่ใช่การเก็บกดถ้าเราแค่ดูเฉยๆเนะี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่ความคิดเนาะถ้าเราหลงเนี่ยเราก็จะเชื่อความคิดนะคิดโกรธก็โกรธหรอคิดรักก็รักหรอคิดชังก็ชังหรอนะเราต้องเป็นทาสของความคิดหรอนะ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เรามีสติให้เป็นนายเหนือความคิดนะเพราะที่จริง เ, เราทุกเพราะความคิดนะนะแล้วเราก็คิดทั้งวันทั้งคืนนะกลางกลางคืนก็ฝันนะกลางวันก็คิดนะถ้าเราคิดนะแล้วก็เราก็เชื่อทุกความคิดเนี่ยมันมันไม่ใช่เราจริงๆหรอกนะเพราะความคิดเนี่ยมัน เป็นธรรมชาติที่มันห้ามไม่ได้บางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีนะแต่มารู้สึกบางทีหลวงพ่อคเขียนนะท่านใช้คําที่ที่มันตรงมากนะหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าความคิดเนี่ยมันมันสับสนนะจิตเรามันสับสนนะมันคิดดีก็ได้มันคิดไม่ดีก็ได้นะสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันก็คิดดีดีใจบุญสุนทานนะใจเย็นใจดี แต่บางทีมันก็ร้ายร้ายนะอตัวที่เป็นผีก็ในใจนี่แหละนะเป็นยักษ์เป็นมารอาฆาตพยาบาทอยากจะทำร้ายคนอื่นก็มีเหมือนกันนะอิจฉาก็มีไม่ใช่แต่โยมนะพระก็มีนะความคิดไม่ดีนะนั้นความคิดเนี่ยถ้าเราเชื่อทุกความคิดเนี่ยโอ้เราก็จะต้องไปทำตามมันเหร อ, อหนึ่งเราไม่ทำตามมัน เราจะทำตามสิ่งที่ควรจะทำแต่สองนะเราก็ไม่กดข่มมันนะไม่พยายามผักใส่เขานะมันคิดก็ปล่อยให้มันคิดแต่หน้าที่เราก็คือรู้ตัวไม่ไปปรุงต่อกับความคิดอันนี้คือเราก็ทำรู้ตัวไปนะนะเหมือนที่หลวงพ่อเทียนท่านมากรรักจะสอนว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับการการให้อาหารแมวนะไม่ใช่ไปการไล่หนูนะ หลางพ่อเทียนให้จะเปรียบเทียบว่าบางทีทุนบ้านเรามีหนูนะหน้าที่เราไม่ต้องไปคอยจับหนูไม่ต้องไปคอยไล่หนูแต่หน้าที่เราคือเลี้ยงแมวให้มันโตโตนะพอแมวมันโตเราให้อาหารแมวเราเลี้ยงแมวดีๆนะแมวเขาไปจับหนูของเขาเองนะจิตเราก็เหมือนกันนะจิตเราถ้าเหมือนกับตัวหนูก็คือตัวความคิดความฟุ้งซ่านนะ ต, ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตนะแต่แมวของเราคืออะไรตัวสติมันยังเป็นแมวที่ตัวเล็กเป็นแมวที่ยังไม่มีกำลังหน้าที่เราไม่ใช่ไปห้ามความคิดไปจับความคิดไปจ้องดูความคิดแต่หน้าที่เราคือการทำอย่างไรเราถึงจะมีสติทางไงเราถึงจะรู้ตัวนะงนั้นการปฏิบัตินี่แหละเพื่อให้เกิดความรู้ตัวจะเกิดจากการรู้ตัวจากการ หายใจเข้าหายใจออกก็มีสติได้รู้ตัวจากกันยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่ามีสติะระลึกรู้ได้เหมือนกันหรืออียบทย่อยต่างๆกินดื่มขับ่ายเคลื่อนมือเข้าเอามือออกก็มีสติได้นะหรือมีสติกับการะระลึกรู้ว่าตอนนี้จิตมันมีสุขหรือมีทุกข์หรือเฉยๆนะเรียกว่าเวทนานุ ป, ปัสสนา หรือมีสติเราจรู้ว่าจิตตอนนี้เป็นปกติหรือไม่ปกตินะจิตตานุปัสสนาหรือมีจิตเราจรู้ถึงธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนานะเราจะรู้เพื่อให้อะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าจะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีเนะี่ยมันตกอยู่ในธาตุของ ธรรมชาติของใจรักทั้งนั้นเนาะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะมันก็ทนอยู่ในาวะสภาวะที่มันทุกข์นะไม่ได้มันเป็นทุกข์อยู่เสมอแล้วก็เป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้นะถ้าเมื่ อ, อไใดที่เราปฏิบัติทำแล้วเนาะเรารู้สึกว่าเราบังคับจิตใจได้เราบังคับร่างกายได้ตลอดเวลานั้น เราก็จะไปด่งคิดว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะสำคัญมั่นหมายว่าเราเก่งมันเป็นตัวตนของเราเมื่อไรที่ปฏิบัติทำแล้วมันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความสบายทาไมมันไม่ทุกข์ใจเลยนะเราก็ต้องดูจริงๆนะว่าเราปฏิบัติถูกหรือเปล่าไปแช่ในความสุขความสบายไหมนะแต่ถ้าบางทีมันเป็นแค่อาการชั่วคราวนะแล้วก็รู้สึกได้ว่า ความสุขก็เป็นสิ่งที่แค่ได้ึกรู้เฉยๆก็ได้เหมือนกันนะบางครั้งจิตมันก็สุขบางครั้งจิตมันก็สงบนะบางครั้งก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านตลอดหรอกนะบางทีจิตมันก็สงบของมันก็มีเหมือนกันหรือบางทีเราปฏิบัติแล้วมันนิ่งมันไม่คิดมันไม่อะไรเลยนะแล้วเราก็ไปหงอยู่กับมันนะก็อาจจะผิดเหมือนกันนะนั้นเราต้องถ้าจิต หรือว่าร่างกายก็ดีนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนมันไหวเนี่ยก็ดีแล้วนะเอาเป็นเครื่องทีจ่จรู้หรือกายมันแสดงความทุกข์ให้เห็นนะ่ก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติผิดนะนั่งนานๆก็ต้องปวดต้องเมื่อยเป็นธรรมดานะไม่ใช่คิดว่าปฏิบัติไปแล้วมันต้องไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ต้องไม่เจ็บไนะม่ต้องไม่ แ, แก่ไม่ใช่นะอันนั้นเป็นความทุกข์ของกาย นมันมันทุกข์กายมันก็เลยต้องบรรเทาบำบัดความทุกข์นะใจก็เหมือนกันแหละที่มันต้องฟุ้งซ่านที่มันต้องเผลอไปเนี่ยมันก็เป็นความหลงแต่ความหลงมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นนะคนที่จะไม่หลงร้อยเปอร์เซ็นก็คือพระอรหันต์เท่านั้นอันนั้นปุถุชนคนธรรมดาหรือแม้แต่พระอรีญะเบื้องต้นก็ <S <S ต้องหลงเป็นธรรมดานะอืมถ้าใครบอกว่าปฏิบัติแล้วไม่หลงเนี่ย จะไปโมเมวัตเตเอกเป็นพระอรหันเลยไ ม, ไม่ได้นะอืมเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติแล้วเราหลงเนี่ยธรรมดานะแต่ความหลงเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้นะเหมือนกับสิ่งที่เราเรียนหนังสือมาเราไม่รู้เราถึงต้องเรียนรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเรารูแล้วมันจะปิดการเรียนรู้อันะนั้นการที่มันหลงบ้างเผลอไปบ้างเนี่ยก็เพื่อให้เราได้รู้เนี่ยแหละรู้ว่า เลสที่มันนอนเนืองในจิตใจของเรามันมีอะไรบ้างนะมันโกรธขึ้นมาก็รู้เออว่าตัวเองโกรธตรงคน อ, อื่นด่าขึ้นมาก็ดีเป็นการสอบอารมณ์นะแต่ไม่ใช่ไปหาเรื่องคนอื่นด่านะอืมแต่บางทีเขาก็ด่าเองนั่นแหละนะไม่พอใจเองนะั่นแหละนะนัะบางทีพวกนี้ก็เป็นการเหมือนสอบอารมณ์เราดูอืมบางทีไปเห็นอาหารชอบใจบ้างโอ้ออยากกินอ่ะความคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาไปเห็นเสื้อผ้าปเป็น ตทรศัพท์ใหม่อยากจะได้อเกิดออจิตเราจะมีกิเลสอยู่เนาะเราว่าเราจะพอแล้วทําไมมันยังอยากได้อีกก็มีนะอันนี้คือความปรุงแต่งบางทีมันห้ามไม่ได้เราก็แค่ดูมันโอ้จิตมันปรุงแต่งของมันเองเนาะกายก็เหมือนกันก็ดูไปนะพยายามฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละถ้าเราทําไปเรื่อยในการมีสติระ ล, ลึกรู้กายที่เคลื่อนไหวก็ดี ระลึกรู้กายที่หยุดนิ่งก็ดีหรือร ะ, ะลึกรู้ใจที่มันปรุงแต่งก็ดีหรือใจที่มันไม่ปรุงแต่งก็ดีนะเนี่ยเรียกว่ารู้ไปเรื่อยๆนะเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะกลายเป็นที่เรียกว่ามหาสติเป็นสติที่เป็นอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจระลึกมันก็ระลึกของมันเองนะเมื่อกายมันเคลื่อนไหวจิตมันระลึกรู้ตัวของมันเอง เมื่อใจไม่ไปคิดนึกปรุงแต่งไปโกรธโลภหลงเมื่อไรจิตมันระลึกของมันเองอันนี้เรียกว่าเป็นมหาสตินะหรือเรียกว่าเป็นสติที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติก็ได้นะเราฝึกนะในรูปแบบไปเรื่อยมันยังเป็นสติเบื้องต้นนะเป็นสติที่อาจจะมีการเจตนามีการกำหนดมีการตั้งใจไว้บ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ทาไปทาไปก็ค่อยๆวางการตั้งใจ บางการเพ่งจ้องนะต่อไปสติมันจะเป็นการระลึกรู้ของเขาเองเป็นสติเป็นอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมหาสตินะระลึกรู้กายของเขาเองระลึกรู้ใจของเขาเองนะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการจบนะมันก็ต้องทําไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะสติพอรู้ไปเรื่อยมันจะมีปัญญา ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะปัญญาคือการที่รู้ตามความเป็นจริงนะรู้นะรูปตามความเป็นจริงรู้นามตามความเป็นจริงเนะี่ยเกิดจากการที่ได้รู้ไปเรื่อยๆจนทั้ทงปัญญาเขาเกิดของเขาเองนะเหมือนกับเราทานข้าวล้วก็หน้าที่ของเราคือทานไปเรื่อยๆทานไปเดี๋ยวเขาก็อิ่มของเขาเองนะหน้าที่เรานอนก็นอนให้หลับพอเขาหลับ พักพอเขาก็ตื่นของเขาเองนะอันเนี้ยหน้าที่เราลดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ทําไปเรื่อยต่อไปต้นไม้ดอกไม้เขาออกดอกออกผลเขาก็ออกของเขาเองนะปัญญาก็คือมันเกิดเองแบบนี้แหละนะแต่เราก็ต้องสร้างเหตุก็คือการมีสตินะมีการลรู้นะมันก็จะเกิดผลก็คือตัวปัญญานะพาจิตพาใจฟ้นจากความทุกข์ของเขาเองอันนะี้น่ะ คือสิ่งที่เราได้ฝึกหัดกันเนาะก็ให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจแล้วก็ให้เข้าถึงตัวปัญญาอาจเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเนี่ยพาจิตพาใจฟ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอ